การเลี้ยงสัตว์เป็นบาปหรือไม่ถามการเลี้ยงสัตว์ที่มีชีวิตธรรมชาติควรจะอยู่ในป่าอย่างมีอิสระเช่นนกป่าหรืออีกัวนาเป็นบาปหรือไม่ตอบถ้าเลี้ยงแล้วสัตว์เป็นทุบมีความเดือดร้อนทรมานก็เป็นอันว่าได้บาปทั้งนั้นครับไม่จำกัดว่าต้องเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์บ้านหรอก แต่ถ้าเลี้ยงแล้วสัตว์มีความสุขมีความอบอุ่นอย่างนี้ก็ได้บุญอย่างเดียวไม่มีบาปเลยสัตว์ป่าโดยมากถูกกรรมเก่ากาหนดให้อยู่ป่าเติบโตในป่าและปรับสภาพตามสมดุลของป่าหากเอามาเลี้ยงในกรงก็มักเกิดความทรมานบางอย่างขึ้นอันนี้ก็ต้องดูเป็นตัวตัวหรือเป็นพันๆไปครับเจาะโจงตายตัวยาก ถามเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ที่ทรมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตแต่ไม่เคยฆ่าสัตว์เองถือว่าเป็นบาปหรือไม่ตอบเป็นบาปในฐานะจ้างวานฆ่ามีลักษณะเป็นปานานติบาตเหมือนกันแต่การไม่ลงมือเองก็ให้ผลต่างคือจิตจะไม่หมุนมองทันตาเห็นเหมือนคนลงมือฆ่า วิบากจากการจ้างวานฆ่าจะทำให้เป็นผู้มีอายุสั้นในชาติถัดๆไปหรือเป็นโรคภูมิแพ้เรื้อรังไม่หายขาดรักษาด้วยการแพทย์ยุคนั้นๆไม่ได้หรือประสบกับชะตากรรมที่โหดร้ายเช่นหากอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการคัดเลือกคนมาลงโทษก็จะโดนก่อนเพื่อนเพราะกรรมที่ทำในฐานะผู้บงการฆ่านั้นใหญ่กว่าคนอื่น บางทีมันขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องด้วยนะครับเจ้าของโรงฆ่าวางนโยบายฆ่าไว้อย่างไรทำให้สัตว์ทรมานมากน้อยแค่ไหนสัตว์ในโรงฆ่านั้นรับรู้นะครับบรรยากาศฟองทีเดียวว่ามันอยู่ในห้วงชะตากรรมแบบไหนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมกลัวตายกลัวความเจ็บปวดกลัวความทรมานในนาทีสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันหมดใครวางนโยบายให้พวกมันกลัวน้อยที่สุด เจบน้อยที่สุดก็ชะลอการให้ผลออกไปได้นานที่สุดเท่าที่เคยเห็นแม่ค้าจับสุนัขเพื่อ น, นําไปค่าขายแม้ไม่ได้ฆ่าเองเขาก็ได้รับผลทันตาในชาติปัจจุบันนะครับคือเขาจับด้วยห่วงคล้องคอและกักขังให้ทรมานก่อนตายก็ต <c> ้อง <bble, S 1> เผชิญวิบากที่สะท้อนความทรมานนั้นๆคือประสบอุบัติเหตุให้ต้องใช้เฟือคอ และมีเหตุให้คาดฝันที่เขาไม่ได้ทําผิดแต่ต้องติดคุกและนั่นก็ทําให้เขาเฝ้านึกถึงแต่สิ่งที่เคยทํากับสุนัขจรจัดผมจําเรื่องราวไม่ได้ถนัดนักจําได้แต่ว่าในภายหลังเมื่อสํานึกแล้วเธอก็ทําคุณใหญ่หลวงเพื่อชดใช้ความผิดความจริงก็นับว่าดีเหมือนกันที่รู้รู้สั้นิชาติปัจจุบันว่าผลกรรมมีจริงไม่อย่างนั้น ไปรับผลเอาชาติหน้าก็ลืมไปแล้วว่าเคยทำอะไรมาพอลืมก็ย่อมไม่สำนึกผิดและโทษดินโทษฟ้าน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประกอบอากุศุลกรรมกันต่อไปโดยไม่ได้เรียนรู้ไม่มีความสำนึกหลังรับโทษกันเอาเลย